เป็นเพียงเหยื่อล่อเพื่อให้เราเกิดสติรู้ทันจิตครูบาอาจารย์พระป่าบางองค์ท่านเปรียบเทียบว่าคำบริกรรมพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาจิตคือปลาเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาคำว่าพุทโธแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธเป็นบัญญัติก็จริงแต่จิตที่รู้พุทโธเป็นปรมัติ ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์บางรูปเช่นท่านอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรแห่งวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดเชียงใหม่สอนถึงขนาดให้บริกรรมว่าพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจคือบริกรรมแล้วให้หัดสังเกตว่าคําว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าและบริกรรมพุทโธแล้ว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 พ่อแม่ครูอาจารย์บางองค์เช่นหลวงปู่ดูลอัตุโลก็สอนสิทธิ์บางคนให้บริกรรมพุทโธแล้วรู้ทันจิตผู้บริกรรมพุทโธรู้ไปจนหมดคำพูดคือหมดการบริกรรมเหลือแต่การรู้สภาวะของจิตประมัตและเจตสิกปรมัติต์ต่อไปการที่รู้ว่าบางขณะจิตมีความสุขทุกขสงบฟุ้งซ่าน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 อันได้แก่เวทนาและสังขารกับนามจิตนั่นเองนอกจากนี้ยังเห็นอีกว่าทั้งจิตผู้รู้อารมณ์กับเจตสิกที่ถูกจิตรู้นั้นไม่จิตสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามธรรมที่เมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นครา ว, าวแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี้ก็คือการก้าวจากขั้นการรู้จักแยกสภาวะของขัน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 ท่านทราบไม่ใช่ไม่ทราบบังเช่นหลวงปู่เทศเทศรังสีก็เคยสอนเรื่องนี้ไว้ตรงๆว่าการคิดพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ต้องตายเป็นาธาตุขันเหล่านี้เป็นไปเพื่อแก้อาการของจิตคือเป็นสมถะหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยก็สอนอยู่เสมอๆว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ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 ถ้าจิตไม่ทยานอยากออกระยึดอารมณ์ทางทวารทั้ง6จิตจะไม่ทุกข์ส่วนพระพุทธเจ้าท่านส่งชี้เข้ามาที่ตัวตันหาซึ่งเป็นตัวผลักดันให้จิตทยานออกระยึดอารมณ์ทางทวารทั้ง6ถ้าทำลายตันหาทั้ง6ได้จิตก็จะไม่ทยานออกยึดอารมณ์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นการมองเรื่องเดียวกัน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 ผมสงสัยว่าทําไมคําสอนของหลวงปู่ดูลจึงเหมือนกับคําสอนของหวงโปเพราะหลวงปู่ยืมถ้อยคําของท่านห่วงโปมาใช้เรื่องนี้สืบเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระโพธินันธมุนีเป็นผู้ น, นําหนังสือคําสอนห่วงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่า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 จักเป็นเพียงจกักขวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคาเป็นต้นจุดนี้พระอัตถคาจารย์กล่าวถึงจกักขวิญญาณจิตว่าปราศจากกิเลสและสิ่งที่จกักขวิญญาณจิตเห็นนั้นนักปฏิบัติจะพบว่ามันคือรูปที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและปราศจากน้ำหนักแต่เมื่อเห็นรูปแล้ว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 เป็นเกหรือเลสเบียนปฏิบัติได้ไหมคะได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอให้ภาคพีณจริงจริงเถอะในอัตถฐาธรรมบทก็มีร่องรอยของผู้เป็นเกแล้วได้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุก์มาแล้วถามการใช้ชีวิตคารวาดบางครั้ง